ใอ้ยันจมเราทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจเขาขออกตัว เ, เองให้ต่อเนื่องกันจะพักอย่ายันจะกอดนั่งตามสบายวางกายของเราให้สบายที่สุดอย่าไปเกร็งอย่าก็สูตรลมหายใจเขาไป ย, า, ยาวๆลึกๆก็กกตุ้นความรู้สึกสัมผัสของลมหายใจอยู่ที่ปลายจมูกของเรา เวลาลมหายใจเข้ากระทบไปจมูกของเรามีความรู้สึกรับรู้อยู่แล้วก็ไปอยากสร้างความรู้สึกให้ต่อเนื่องเวลาลมหายใจเข้าก็มีความรู้สึกรับรู้อยู่ลมหายใจออกก็มีความรู้สึกรับรู้อยู่อย่าไปเพ่งถ้าเราไปเพ่งในสมองกดดึงทันทีถ้าเราเอาจิตไปจดจ่อหน้าอกก็จะน่นเผี่อแค่เราสร้างความรู้สึกรับรู้ การสูดลมหายใจก็ไปยาวลึกๆก็เพื่อที่จะรู้สัมผัสของลมหายใจที่เด่นชัดแล้วเราก็ผ่อนลมหายใจให้เป็นปกติเป็นธรรมบัตั้งแต่ตื่นขึ้นมาความรู้สึกกลัวนั่นแหละก็เรียกว่าสติเราก็พยายามสร้างความรู้สึกให้ต่อเนื่องสติของเราก็จะต่อเนื่งองพวกเราสร้างความรู้สึกตรงนี้ได้ต่อเนื่องกันแล้เวเลยอย่างนี้ตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตื่นขึ้นมา พอตื่นขึ้นมาปุ๊บก็คิดปรุงแต่งไปสิ่งโน้ตบางสิ่งนี้บ้างสารพัดบางทีก็าาความคิดพุดขึ้นมาปรุงแต่งเขาก็ไปรวมกันก็ ค, คิดในกองกุศล น, นั่นแหละอยากจะมาวัดคิดจะมาทำบุญคิดจะมา ถ, ามมาถาวายทานวันนี้ก็เป็นวันพระจิตก็ยังอยู่ในกองบุญกองกุศลอยู่แต่สติความมรรกรู้ตัวที่ัวนึงมันไม่มีมีตั้งแต่ปัญญาที่เกิดจากจิต เกิดจากคันห้าที่ปุ่งแต้นไปทตลอดเวลาเราถึงได้มาสร้างผู้รู้มาสร้างความรู้สึกตัวขึ้นมาเพียงแค่การสร้างให้ต่อเนื่องพวกเราก็ยากทากันไม่ได้ต่อเนื่องแต่ปัญญาธรรมของทุกคนก็มีกันหมดทุกคนนั่นแหละจะมีมากมีน้อยแต่การควบคุมจิตการสังเกตรู้ลักษณะอาการรู้ลักษณะการเกิดการดับของจิต ก, การเกิดการดับของคันห้า แล้วก็รู้แยกแยะจิตออกจากขันห้าตรงนี้ไม่ค่อยจะได้มีกันเพราะว่าเราขาดการสร้างความรู้ตัวที่ตัวนึ้อหงพ่อถึงย้ำย้ำย้ำอยู่ตรงนี้หละให้เห็นฐานสิก่อนให้เห็นฐานคือรู้จิตรู้แยกใคลความหยิกมันถือมัดหรือว่าแยกรูปแยกนามให้ได้สยกอนเราจะมองเห็นฐานส่วนอื่นะระเบบารมีอ น, นิสงส์งส่วนอื่นก็รองรับกันทุกคน ทุกคนก็มีศรัทธากันทุกคนก็มีความเสียสละมีความรับผิด ช, ชอบในมักกว่น้อยทุกคนก็ได้สร้างบุญมาดีกันทุกคนจึงได้เกิดมาทุกคนก็ได้ปฏิบัติธรรมกันแต่ว่าตัวเองไม่ได้ปฏิบัติทุกคนปฏิบัติกันมาหมดนั่นแหละปฏิบัติตามหนาที่ในระดับของสมมติผิดถูกชั่วดีอะไรเป็นภูสลอะไรเป็นอาคุศลก็ยังจะรู้อยู่แก่ใจของตัวเรา แต่การจเจริญสติการสำรวจการทำความเข้าใจเราต้องสร้างขึ้นมาสติไม่มีเราก็สร้างขึ้นมาให้ต่อเนืงปัญญาไม่มีเราก็หัดสังเกตหัดวิเคราะห์จิตหล็งของเรามันยังมีอยู่เราก็พยายามลักพยายามดับจเจริญพริหารเข้าไปทดแทนไม่ต้องไปคว้าที่ไหนห ร, รอกวรูอยู่ที่กายของเรานี่แหละ เมื่อไหลเราก็ไปยามดิปบำบัดมันเสียความคิดที่เกิดจิตเกิดขึ้นเมื่อไห่เราก็รู้จักควบคุมเสียรู้จักลดำขันห้าเข้ามาปรุงแต่งคิดเมื่อไหร่เราก็วิเคราะห์สังเกตดูว่าเขากาะตัวอย่างไรคิดของเราจะเคลื่อนเข้าไปรวมไปอย่างไรถ้าเรารู้ทันแล้วจิตเขาก็จะแยกออกหรือว่าดีดออกซึ่งเรียกว่าง่ายหรือว่าแยกรูเปียกนาตรงนี้แหละอวิชาก็าาจะหายไปวิชาก็าาจะมาปรากฏ คือความรู้เชิงเห็นจิตเราก็จะเดินตามเหตุการณ์เกิดการดับของความคิดของขันห้าก็เรียกว่ารู้สภาวธรรมรู้อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาในคันห้ารอบรู้ในกงองสังขานของเราเรื่องอะไรที่มันเกิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตอุศนุวนัอคุสุถ้าเราเห็นตรงนี้จะปวดสนุกในการวิเคราะห์ในการพิจารณาส่วนมากคนเราก็เมต้เด็บเอาไปพิจารณาเลยขาดการแยกขาดการรู้เชิกดขาดการตามทำความเข้าใจให้ รู้แจ้งห็นจริงให้ได้ตลอดทุกเรื่องทุกกส่วนมากก็คิดพิจารณาไปถึงแม้จะพิจารณาในธรรมจิตยังไม่คลายออกจากขนาันธห้ามันก็ยังเป็นความหลงอยู่ยังหลงอยู่ในธรรมอยู่หลงอยู่ในสมมุติอยู่เราก็ต้องพยายามค่อยเปลียนค่อยไปค่อยสร้งางค่อยทําออกบุญภายนอกเราก็ทําทํากันอยู่ตลอดเวลามีโอกาสเราก็ได้ทําทําบุญให้ทานถาวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์ อยู่ตลอดเวลาถวายทานให้กับหมูให้กับคณะให้กับพี่กับน้องกับเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันดูนจัะะ่สรา้างคุณประโยชน์สร้างคุณงามความดีพวกเราก็อยู่ดีมีความสุขการประพฤติปฏิบัติก็ไปได้เร็วเด็วไวสถานที่อํานวยสถานที่เป็นสัปายะักบุคคลรอบข้างเป็นสปายะักษมองไปทางในหันซ้ายหันขวา<ๆ>ก็มีเต็มเต หมู่มีแต่คณะปักข่อยในสนใจในกองคุณกองกุศลเราก็อยู่ดีมีความสุขกันเราจะชำระสะสารกิเลสของเราได้หมหรือไม่มก็ขึ้นอยู่กับเปลี่ยนห่วงจะระบบคนไม่ใช่ว่าไปอยู่ที่โน้นฉันจะรู้ทําไปอยู่ที่นี้ฉันจะรู้ทําไม่ใช่ขึ้นอยู่ความเพลี่ยนที่ถูกต้องของเราสถานที่ครูบาอาจารย์ก็<ล>เป็นแค่เพียงแผ่นที่เป็นแค่เพียงสะานให้ทุกคนได้ข้าได้ผ่านให้พ้นถึงจุดหมายปลายทางคือความสะอาดความบริสุทธิ์กัน ก็ต้องพยายามกัน